จเจริญพรทุกท่านที่การฟังธรรมเข้าใจยากนิดหน่อยนะแต่ไม่เหลือความพยายามที่พวกเราจะเข้าใจหรอกธรรมะแท้ๆนั้นถ่ายทอดสืบทอดกันมานะจนถึงยุคของเราเนี่ยมันมีธรรมะที่ไม่แท้เนี่ยเข้ามาปนอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างพวกการปฏิบัติ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 ท่านตอบบอกว่าถ้าใครมาถามท่านนะท่านจะบอกเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยปรากฏว่าสอบผ่านเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไห ม, มไม่แปลกเราไม่ใช่พระละหาันทําข้อสอบนี้ไม่ผ่านแต่เนี่ยหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่ากระทั่งในสมัยที่พระพุทธเจ้าดังอย่างดําลวงพระชนอยู่นะมิจฉาทิฐิก็มีอยู่แล้ว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 มีคนจริงๆอ่ะมีพระอราหันจริงๆอะไรเงี้ยท่านถึงตอบมาคําตอบที่ถูกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดที่แล้วดับไปไม่มีพระอราหันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ไม่มีสิ่งที่เรียก ว, ว, ว่าเราว่าเขาเนี่ยตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนะีเข้าใจยากถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นเรื่องที่คนทั้งหลายทนไม่ไหวคนทั้งหลายนั้นรัก ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่รักที่สุดเลยห่วงแหนที่สุดถ้ามหัดภาวนาแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนะแรกแรกนี่ทนไม่ได้สักลาหนึ่งกลัวบ้างนะบางทีก็สยดสยองบางคนก็ขวัญหนีดีฟอนะบางคนก็เซงไปเลยนะเหี่ยวเฉาไปเลยนะเพราะตัวเราเนี่เป็นสิ่งที่รักที่ห่วงแหนที่สุดแนละ้วพบว่ามันไม่มีจริงมันมนะีเมื่อมันมีเหตุ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 อยากโกหกไม่โกหกนศีลข่มใจของตัวเองสมาธินะข่มกิเลสจิตจะฟุ้งซ่านจิตมีกิเลสทําสมาธิกิเลสก็สงบความฟุ้งซ่านสงบนะดับลงไปจิตก็สงบขึ้นมานมีราคะขึ้นมามีความใคร้ขึ้นมาจเจริญอสุภะกรรมฐานอะไรเงี้ยจิตก็สงบขึ้นมาข่มกิเลสข่มราคะได้นะ ข่มโทสะมีมีมมมโทสะขึ้นมาก็จเจริญเมตตาจเจริญเมตตามากๆนะโทสะก็ถุกข่มแหวนสมาธินี่เป็นตัวข่มกิเลสศีลเป็นตัวข่มใจของตัวเองไม่ให้ทําตามกิเลสส่วนปัญญานั้นเป็นการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจะทําลายความโง่ใช้คําว่าทํำลายแล้วนะ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 ผ่มกิเลสได้บ้างข่มจิตใจได้บ้างอะไรเนียนะจิตใจสงบจิตใจสบายได้ช่วงครั้งช่วงคราวเดี๋ยวข่มไม่ไหวกิเลสก็มาอีกก็ต้องแก้ปัญหากันเป็นคราวๆไปถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ทาวรต้องมาเจริญปัญญาว่าความไม่รู้เนี่ยเป็นรากเหง้าของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าทาลายความไม่รู้ได้ตัวเดียวนะจิตหายโง่ตัวเดียวจิตไม่หลงความปรุงแต่ง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 ลกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต้องมีลูกล้อพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนใช่ไหมแต่รถยนต์มีตัวถังมีพวงมาลัยเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มีเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมานะในที่สุดเราก็เกิดความสําคัญมั่นหมายว่ามีรถยนต์จริงๆที่จริงมันคืออะไรจํานวนมากมารวมกันสิ่งที่มาทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่นะ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 ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งนะเราถนัดพุทโธเราก็ใช้พุทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องฟองยุบเราก็ดูท้องฟองยุบถนัดที่จะขยับมือทำจังหวะอยาสายหลวงพ่าเทียนขยับมือแล้วก็ขยับมือไปอะไรก็ได้หางานขึ้นมาให้จิตทำสักอย่างหนึง่งนะจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทาจังหวะจะไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลย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 มาอยู่กับพุโทโธไม่ให้จิตนี้ไปไหนเลยจิตสงบอยู่กับพุโทโธได้สมะถะกรรมฐานได้ความสงบนะเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจิตอยู่แต่กับลมหายใจอย่างเดียวเราได้ความสงบได้สมะถะกรรมฐานแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ลืมตัวเองต้องฝึกอีกแบบหนึง่งทําสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีชื่อทางวิชาการชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌาน อาระมะคืออารมณ์นั่นเองจิตเนี่ยแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวไม่คิดไม่นึกอะไรอยู่แต่พุทโธหายใจก็สงบอยู่กับจุลกลมหายใจอย่างเดียวนะไม่คิดไม่นึกไม่หนีไปไหนอย่างนี้ได้ความสงบเฉยนะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักคนูปนิ ช, ชานสมาธิชนิดนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตไม่หลงไปในโลกของความคิดนะไม่หลงเผลอไปไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นขึ้นมา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 ขั้นต้นอดทนไว้ก่อนอดทนหน่อยอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนั่งพอมันปวดมากๆนะจิตใจมันจะเริ่มทุรนทุรายกระสับกระสายพอนั่งมากๆนั่งปวดมากๆนะเป็นเน็เป็นอะไรนะชักกลุ่มใจนั่งนานๆจะเป็นอำมาภะหรือเปล่านะจะเดินได้อีกไหมอะไรนี้นะความกลุ่มใจเกิดที่ใจเกิดที่จิตความปวดเมื่อยเกิดที่ร่างกายแต่ความกลุ่มใจเกิดที่จิตเพราะฉะความปวดเมื่อยกับความกลุ่มใจนี้คนละอันกัน นะความปวดเมื่อยนะั้นเรียกว่าเวทนาขันนะเป็นเวทนาขันความกลุ่มใจความกังวลใจอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันโคละขั น, ค น, ขนคนละกลุ่มกันนะนี่ค่อยๆหัดแยกแล้วความกลุ่มใจก็ไม่ใช่จิตจิตที่แรกไม่กลุ่มใจแต่จิตตอนนี้กลุ่มใจเพราะงั้นมันเป็นโคนละอันกันหัดฝึกไปเรื่อยนะให้ชํชนานิชนะํานานนี่เราฝึกมาสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต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 ความสุขไม่ใช่คนร่างกายไม่ใช่คนจิตใจก็ไม่ใช่คนนะจิตใจก็ไม่ใช่คนความปรุงดีปรุงชั่วความโกรธก็ไม่ใช่คนเราจะเห็นแยกออกไปความกังวลใจ่เงี้ยไม่ใช่คนพวกนี้เรียกว่าสังขารขันความโลภความโกรธความหลงในนี้เป็นสังขารขันเป็นความปรุงของจิตดูไปเรื่อยความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนได้ต้องเพี้ยนนะความโกรธไม่ใช่คน ความโลภความรักไม่ใช่คนนะความใจลอยความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่ใช่คนนะเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยองเี้ยในที่สุดเราจะเห็นนะว่าทุกส่วนที่เราแยกออกมาเป็นส่วนส่วนแล้วเนี่ยมันสอนให้เราเห็นความจริงว่าไม่มีคนหรอกไม่มีตัวเราหรอกนะถ้าเราไม่มีตัวเรานะเรางเห็นขันห้ามันสิ่งที่เรียกว่าเราเคย ร, รู้สึกว่าเป็นตัวเรานะแลข้าจริงเป็นแค่ขันที่มารวมกลุ่มกันอยู่เท่านั้นเอง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 ถ้าหากเราเห็นความจริงท่องแท้ว่าร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุขมมมมนะกขนะ์ไม่ใช่เราความจําไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วนะเช่นโกรธโลภโกรธหลงอะไรนี่ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะตัวเราจะหายไปเมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันเคยได้ยินคาว่าโสดาบันไหม เราวาดภาพสวดาบันคืออะไรคําโรูที่แอบสแตร็กมากเลยนะสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ฝันเลยว่าอูอีกแสนชาติก็ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนเลยถ้าไม่รู้จักรูปรู้จักนามไม่รู้จักแยกธาตุแยกขันอย่างนี้ถ้าแยกเป็นแล้วไม่ยากอะไรพระสวดาบันคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนท่านล้างความเห็นผิดได้เพราะท่านแยกขันออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา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 เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในกายในใจนะไม่เห็นมีสาระแก่นสารพอเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ไม่จะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกรู้เลยว่านี่สมบัติของโลกขันห้านี้กายใจนี้เป็นสมบัติของโลกเรามาอาศัยอยู่ช่ครั้งช่วคราวเท่านั้นเองจิตหมดความยึดถือในรูปในนามนะ นั่นแหละคือสิ่งที่เขาสมมุติเรียกกันว่าพระอาหารหันต์งั้นพระอระหันต์เนี่ยท่านไม่คิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์นะเพราะท่านมีปัญญาจแจ่มแจ้งแล้วว่าพระอระหันต์ไม่มีคนไม่มีอ่ะคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิน้นเนี่ยที่พระอระหันต์ท่านเห็นกันนะท่านจะเห็นกันอย่างนี้นะ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 นะอนาคต ต, ตายแล้วเนี่ยจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็ยังเป็นไอ้คนเดิมอยูนะ่ตัวเรามีอยู่จริงๆนะคิดว่าตายแล้วเกิดหรือคิดว่าตายแล้วศูนย์ล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะในความจริงไม่มีคนมาตั้งแต่ปัจจุบันลนะเนี่ยขัดเรียนเข้าไปนะถ้าพอเราเห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์จะหายไปความทุกข์จะหายไปเยอะเลยเราทุกข์เพราะอะไรทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเรารักกาย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 พอเราหมดความยึดถือในกายเราจะไม่ทูกเพราะกายหมดความยึดถือในจิตจะไม่ทูกเพราะจิตอีกต่อไปเรารักอะไรเราทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่ว่าเรารักอะไรนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสมออย่างเรามีคนรักสักคนหนึ่งว่าหวานแหววมากนะทุกข์จริงๆทุกข์นะเราเสียอิสรภาพไปใช่ไหมถ้าเสียอิสรภาพไปนาน ร, รักมากจนแต่งงานกันนะเสียอิสรภาพนานๆนี่คิดถืออิสรภาพอีกแล้วนะ ไม่อยากได้อีกแล้วก็ทุกข์อีกและเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเรียนรู้ลงไปวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบพอนะเราจะได้อิสระภาพที่แท้จริงนะเราจะเป็นอิสระนะที่ว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนะนะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงนะแต่ถ้าอย่างรักใครผูกพันห่วงแหนในสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน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 กินไม่ได้นอนไม่หลับน่กลัวรถ ล, ลอยตามน้ําไปอีกนีนะ้มีแฟนก็กลุ้มใจมีลูกก็กลุ้มใจรักอะไรก็ทุกข์พราอันนั้นแล้วเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองถ้ามีตัวเองทุกที่สุดพอ ร, รักที่สุดนะงั้นล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ก็พ้นทุกข์นั่นแหละนี่แหละเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์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 เขารอคอยมานานแสนนานพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งธรรมะยังดำรงอยู่ถ้าเราละเลยเราไม่ฉลาดหรอกนะงั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเบิ้งต้นรักษาสี่ห้าถัดจากรักษาสีลห้าแล้วฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่ฝึกให้เคริมเคลิม้มฝึกรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันก็จะรู้สึกตัว ถ้าจิตนี้ไปคิดจิตจะไม่รู้สึกตัวนะพอจิตเรารู้สึกตัวได้เราก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ใครเคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวมัง้งมีไหมหลวงตามหาบัวสอนดีมากเลยนะบอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดนะว่าเรื่องเจริญปัญญาไม่มีทางเจริญปัญญาเลยต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะงั้นบางคนบอกพุโทตโตพุทโตไว้แล้วก็วันหนึ่งบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลย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 วันนี้45นาทีพอแล้วนะกราบท้าวส ก, การหลวงข้อนะครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายปีแล้วครับก็วันนี้ก็มีมาส่งบ้างครับ <c oughs> ก็ที่ปฏิบัติมาตลอดรียเวลา4ปีตั้งแต่แตได้ฟังซีดีหลวงข้อก็คือความโลภโกรดลงเนี่ยลดงไปเยอะครับจากที่เคยฉุนเชียวง่ายขี้โมโห ก็โลภเยอะก็ลงไปเยอะฮะก็ทุกวันนี้ก็สภาวะที่มันเกิดขึ้นก็เห็นว่าจิตมันถล่เข้าไปบ่อยๆแล้วก็ช่วงสั้นๆลงแล้วก็แต่เห็นว่าไอ้ที่ถล่ไปนะ่ะมันไม่ใช่เราครับก็ฝึกให้มากนะเห็นแล้วต้องเพิ่มมาหนึ่งแเพิ่มความตั้งมั่นของจิตนะ อย่างวันๆเราคลุกอยู่กับโลกเยอะนี่สมาธิเราไม่พอแจมจะฟุ้งเก่งครับงั้นเราต้องทํำในรูปแบบทุกถึงเวลาแบ่งเวลาไว้เลยวันหนึ่ง15นาที10นาทีก็ยังดีถ้าทําตอนเย็นแล้วกู้ง่วงหลับไปนะก็ทําตอนเช้าตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยมาไหว้พระสวดมนตนะ์มาหัดพุทธโธมาหัดหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะเวลาจิตมันขยับข ย, ยื่นนิดเดียวเราจะรู้ทันนะ มันไม่ไหลไปจมนานๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้แหละการจเจริญปัญญาไม่ต้องไปจเจริญที่วัดน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาเนีจเจริญที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเรานี่ไม่ใช่ไปทาที่วัดหรอกตามองเห็นรูปใจเรายินดียินร้ายใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราเป็นกุศลอกุศลรู้ทันหูได้ยินเสียงนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลยินดียินร้ายรู้ทันใจไปคิด เกิส so, so, ุขเกิดท <laughs> ุกข์เกิดกุศลอกุศลยินดีได้รู้ทันใช้หลักอันนี้เองสุดท้ายก็จะเห็นในทุกอย่างมาแล้วก็ไปเช่นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลอกุศลมาแล้วก็ไปนะแต่ต้องซ้อมทุกวันนะจิตจะได้มีพลังขอบคุณครับกลับนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับผมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อนี่แต่ว่า บางครั้งมันรู้สึกเหมือนเปนการถลําเข้าไปรู้<ง>ดีถลํารู้ก็คือจิตไม่มีสมาธินั่นเองครับถ้ามีสมาธิว่าตั้งมั่นไม่ถลําแต่ตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องซ้อมเอาถึงเขาตั้งขึ้นเองไม่เจตนาให้ตั้งถ้าจงใจให้ตั้งเนี่ยจิตจะแข็งแข็งเคลียดเครีย ด, ยดไม่ดีนะจนไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมผมรู้หรือไม่รู้กั น, นรู้ขันค่อยแยกค่อยๆฝึกแยกขันไปครับนะแต่จิตต้องตั้งมั่น ผมอยากทราบว่าจริตของผมนี่วิหารธรรมที่เหมาะสมนี่ควรจะเป็นคนช่างคิดไหมล่ะถ้าเป็นคนช่างคิดก็ต้องดูจิตนะการดูจิตนั่นก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตไม่ให้เปลี่ยนแปลงให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะในสุดปัญญาเกิดตักอย่างชั่วคราวขอคุณก็ดีอยู่แล้ดีล้ละไปทําต่อ ใจฉิตต้องเข้าบ้านนะนี่ใจดอกนอกคร <c oughs> น้ำมัตรการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านมาหลายครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมความ <c oughs> ตื่นเต้นมานี่มันยังไม่หายไปหนระอถ้ามันไม่ได้ดอกจิตเป็นอนัตตา <c oughs> วันนี้การปฏิบัติที่จะมาส่งก็คือเวลาผมทําสมาธิแล้วผมก็สังเกตไปเรื่อยๆ ว่าอะไรปรากฏก็รู้มันรู้มันอันนี้สักพักหนึ่งมันไม่มีอะไรปรากฏมันเงียบเงียบเงียบหลับกดใช่เพราะว่าเออแต่ว่าเอาเงียบกครับผมเคยตรงนี้เคยถกกับคุณหมอท่านหนึ่งผมว่าคุณหมอบ่าว่าจิตสงบแล้วผมว่าคิดคิดเรื่องเงียบอยู่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะคิดเรื่องเงียบอยู่เอเงียบปราบกดนะแล้ว ควเงียบพอกผมก็ดูต่อไปเดี๋ยวมันก็ไม่เงียบอีกแล้วใช่ก็ไม่เที่ยงครับแต่มันก็นานพอสมควรครับคือถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่มันเงียบมันจะยิ่งนานขึ้นนานขึ้นก็ออกจากสมาธิแล้วอยู่ในโลกก็จเจริญสติในชีวิตจําบันให้มากเท่านั้นแหละคราวนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วมีสติอัตโนมัติขึ้นมาอืมเวลาที่สติอัตโนมัติค้างอยู่อ่ะ มันรู้สึกได้วันนานกว่าเดิมถ้าจิตทำสมาธินะจทิที่ทรงฌานเนี่ยสติอัตโนมัติจะอยู่นานนะอย่างนั้นเรียกว่าฌานหรอครับถ้าจิตเข้าไปอยู่ในความนิ่งความว่างนะไม่มีอะไรครรือเนรู้ตัวอยู่นั่นก็เข้าสมาธิที่ละเอียดเท่าละอ อ, อีกสองประเด็นนะครับคือเวลาอย่างเหตุการณ์เมื่อคือนนี่ กําลังทํางานอยู่ยแล้วมันงุนหิดขึ้นมาก็ก็ดูมันไปสังเกตไปเรื่อยๆปรากฏว่าความงุนหิดหายไปแล้วแต่มันยังร้อนอยู่วิบากกิเลสกิเลสเกิดนะจิตก็ระทํากรรมจิตกระทากรรมแล้วก็ต้องมีวิบากตรงหดหิดนั่ น, นก็เป็นกิเลสแล้วก็ผลักดันให้จิตเราดิ้นรนก็ต้องรับวิบากอีกช่วงแหละ สภาพที่แยกธาตุแยกขันธ์แบบนั้นใช่ใมับแต่มันมันมันไม่ได้แยกได้ตลอดเวลาไม่เป็นไรเวลาเราทํำความสงบเนี่ยไม่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เวลาเผลอไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์เวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้มันไม่ได้เป็นตลอดนะในระหว่างที่ผมกำลังสังเกตเความมุ่งหยิบ ผมผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามีมีเรากำลังดูมันอยู่ดีที่เห็นนะแสดงว่ายังไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าธรรมชาติรู้มันเป็นคนดูอยู่ไม่ใช่เราดูละวแต่ต ว, ว่าเรานี่มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไม่ไม่อยู่ตลอดใช่เวลาผมเผอมันเรามันหายไป สักยที่ทิฏิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะความเห็นว่าเป็นเราเป็นชั่วคราวเกิดเป็นคราวๆ ข, ขอขอธิษฐานิดนะครับคือเวลาที่เรานอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าโลกปรากฏคราวนี้ตอนหลับหลับสนิทสนิทจริงๆครับไม่มีตรงนี้ตรงกับที่ผมศึกษาในหนังสือว่าเอาันนี้ขอขอนุญาตนิดนึงนะครับคือ ผมเคยอ่านเจอในพระพิธรรมว่าเทวดาถามพระพุทธเจ้าว่าอาโลกมีอะไรนําไปที่โลกปรากฏได้อย่างไรผมเข้าใจความหมายทํานองนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหบ อ, อ, อีกอันนึงนะครับอันนี้ป้องกันทำไปเยอะนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะประต้วงหรือเปล่าผม ต, ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องให้ความรู้กับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันป้องกันไม่ให้ เกิดวิจาริตริืิคือเมื่อกี้ผมฟังที่หลวงพ่อพูดตอนเริ่มต้นบอกว่าถ้าเราไปมั่นใจว่าตายแล้วเกิดเป็นมิจาริตริติตรงนี้หมายความว่าเราต้องมั่นใจว่าไม่มีพระอรหันต์ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าเป็นมิจาริตริไม่ใช่ไหมหลวงพ่อพวกเราตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีพระอรหันต์ก่อนแต่พระอรหันต์นั้นท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอกของเรามันยังมี อย่างนี้แสดงว่าที่ผมกำลังตอนนี้อย่างเวลาผมพูดกับลูกผมบอกว่าผมมั่นใจว่าตายแล้วเกิดในตัวผมมบอกว่ามั่นใจแล้วตายแล้วเกิดอย่างนี้เป็นวิจาทณิติไหมครับถ้าพูดกับลูกเขาพูดโดยอนุโลมเอาเอาแบบนั้นก่อนนะคือมันจะเห็นแจ้งต่อเมื่อเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็ปัจจุบันยังไม่มีเลยนะตายแล้วจะมีหรือไม่มีอย่างเงี้ย ถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีถ้ามีเหตุเนี่ยขันก็เกิดสืบทอดไปถ้าไม่มีเหตุขันก็ไม่เกิดสืบทอดไปถ้าพูดได้ถูกกราพูดอย่างนั้นแต่ว่าสอนเด็กไม่ได้มันยากไปเยถ้าสอนลูกก็บอกว่าตายแล้วเกิดสอนอย่างนี้ไปก่อนครับครับขอบคุณมากครับกรับนะพ่อค่ะ คือได้ปฏิบัติตามแล้วของหลวงพ่อแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกสั้นลงนะคะแต่คันนี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าถ้าเผื่อกรณีที่เราเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวแล้วก็คล้ายๆกับรู้สึกว่ามีอะไรขึ้นมาแต่พอที่ที่มีปัญหาคือว่าเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้ตัวเช่นลูกเนี่ยความรู้สึกนี่มันจะมันจะเกิดไม่ทันนะคะแล้วก็มันก็เกิดเกิดเราเราคุมไม่ได้แล้วทะเลาะทะเลเล่นนี่ควรจะฝึกยังไงและทำยังไงดีเราเคยชินอนะ เราเคยชินกับลู ก, กอะไรเงี้ยกับบางคนนะกระทบแล้วอารมณ์มันเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรงเป็นคนๆมันคุ้นเคยจะเป็นอย่างนั้นห้ามมันยังไม่ได้หรอกบอกลูกว่าเห็นใจแม่ก่อนก็นนะเดี๋ยวแม่จะค่อยๆพัฒนาแล้วแล้วควรจะมีกันบ้านยังไงคะสังเกตที่ใจเราทําไมเราโมโหโลูกคนอะไรจะไปเขี้ยวเข็ดลูกนะเรามีความอยากเกิดขึ้น เรามีความยึดถือในความคิดเห็นของเราว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรถ้าลูกไม่เห็นด้วยเราก็โมโหที่จริงก็คือเรามีมาตรฐานของเราอย่างนี้แหละเขาไม่ตรงมาตรฐานเราเราก็ไม่พอใจเมาจากความยึดถือในความคิดความเห็นของเราเองแหละถ้าเราเห็นตรงนี้นะมันจะคลายออกจะเหลือเหตุผลลูกเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราเอามาแชร์ข้อมูลกันว่าอะไรเหมาะ ไม่ใช่เราขีดเส้นเลยนะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดเราใช้มาตรฐานของเราวัดละหลายบ้านนะจะเป็นอย่างนั้นนะคือหรือคนที่อยู่ด้วยกันสามีพัญญาหรือผู้ร่วมงานหรืออะไรเงี้ยถ้าข้างใดข้างหนึ่งเนะี่ยยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองรุนแรงนะมันจะกระทบกระทั่งกันมากถ้ารู้ทันจิตใจว่าเรากำลังยึดถือในความเห็นเนะ่ความยึดถือตัวนี้คลายออก คุยกันสบายๆคุยกันด้วยเหตุผลแล้วเราฝึกรู้ทันว่าเรากําลังยึดในความเห็นของเราแล้วรู้ตัวนี้เลยแล้วลูกจะสบายเราก็สบายกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานมากแล้วแล้วก็ภาพรวมก็คือการปฏิบัติมันก็วนเวียนแต่ความเข้าใจที่หลวงพ่อพูดมันก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะะก็หนูก็ ฟังหนูพ่อแล้วหนูก็ไปคิดเยอะมากเลยค่ะหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าหนูว่าไปคิดตลอดแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อม่นานวันนี้ค่ะก็คำแนะนำของพ่อคดีนะแต่ว่าไม่ว่าเผชิญอะไรนะถ้าใจเราหงุดหงิดใจเราลาคาญใจอะไรเราก็รู้ทันนะคือเวลาเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเนี้ย เราเจอปรากฏการ์ต่างๆแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นไงเรารู้ทันอีกชั้นหนึ่งเช่นเห็นสภาว่าอย่างนี้เราหงุดหงิดอย่างเงี้ยรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเก่งไหมเก่งค่ะนะหลวงพ่อพวักเพราะฉะนั้นถ้าใจเราหงุดหงิดเรารู้ทันรู้ทันนะแลต่ใจเราสบายภาวนานะดีขึ้นเยอะแล้วรับการค่ะหลวง่อกลัวไหมมากเลยค่ะก็ พ่อเคยให้พีดูตัวกุศจาค่ะและ้วก็สักช่วงประมาณต้นปีอ่ะค่ะหนูก็มีความสึกว่าเหมือนก็นหนูไม่คาดหวังมันก็ดีขึ้นนะคะใช่ใบัตรแล้วหนูก็รู้สึกเ อ, อดีเนอะแต่พักนี้มันกลับมาเหรอคะกลับมาก็รู่ดทันมันอีกห้ามมันไม่ได้ค่ะนะเลื่อนแต่ของห้ามไม่ได้หนูอยากถามเรื่องรูปแบบอะค่ะอืคือตอนส่งกันบ้านครั้งแรกของพ่อบอกว่าหนูหลงไปนาน แล้วหนูก็พอมาปรับมันก็เพงทีนี้สักช่วงประมาณปลายปีต้นปีค่ะหนูก็ทำในรูปแบบแล้วมันคือมันเหมือนหลงไปในสมาธิมันเป็นวิจฉาสมาธิใช่ไหมครับใช่หนูก็เลยไม่รู้พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะพยายามรู้สึกร่างกายนให้มากร่างกายขยับเขยือ่อนร่างกายยิ้มร่างไรรู้สึกบ่อยๆจิตจะมีพลังขึ้นมา นี่หมายความ่าคือช่วงเวลาช่วงนี้หนูเหมาะจะดูกายมากกว่าดูใจใช่หนูเคยรู้สึกร่างกายที่กระดุกกระดิกไปเพราจิตของหนูมันกําลังฟุ้งซ่านมันสับสนนะพอมันฟุ้งซ่านอยู่เนี้ยเราดูจิตดูใจดูไม่ออกแล้วเมื่อดูจิตไม่ออกดูกายไว้ก่อนเราเวลาอย่างไรที่มันจะเหมาะกับดูจิตคะเพราะหนูก็สังเกตเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกคือบางเวลาเรารู้สึกกายดีกว่าเวลาเรารู้สึกกระจิตดีกว่าใช่คือช่วงไหนดูจิตได้ให้ดูจิต ช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายช่วงไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถ ะ, ะมันมีแนวรุกแนวรับของมันนะงั้นหนูทําแบบเดิมที่หลวงพ่อเคยสอนนะใช่ไหมคะ อ, มอีกสองเรื่องนะคะคือหนูป่วยบ่อยอะคะอ่ะครั้นี้หนูปวดหัวมากแล้วพอเวลามันปวดหัวปวุ๊บมันดูไม่ออกะค่ะมันหนูเค่อยหัดแยกแยกตั้งแต่ยังปวดน้อย เช่นกำลังปวดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่อยดูไปร่างกายก็เป็นอันหนึง่งความปวดเป็นอันหนึง่งจิตเป็นอันหนึง่งหัดแยกตัวเนี้ทุกคนควรทํานะเพราะวันหนึ่งเวลาจะตายเนี่ยไม่แน่เนี่ยว่าอาจจะเจ็บมากถ้าจจเจ็บมากแล้วภาวนาไม่ไหวนะสติแตกเงี้ยแย่เลยใช่ค่ะหนูก็กลัวแบบบางทีแบบปวดมากๆเราหนูก็กลัวไปเลยดังนั้นก็ต้องซ้อมต้องซ้อม <laughs> มันจะซ้อมแน่ค่ะคือปวดหัวเราไปบังคับไม่ได้ว่าเฮ้ยแก้ปวดหัวตอนนี้หน่อยสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฝึกให้หายปวดหัวเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันร่างกายก็ส่วนร่างกายความปวดก็ส่วนความปวดจิตที่เป็นคนดูอะไรเงี้ยสังเกตอย่างนี้เวลาปวดหัวขึ้นมาเนี่ยจิตไม่พอใจรู้ว่าจิตไม่พอใจก็นี่ก็หัดแยกแล้แค่นี้ก็พอเลยอให้หัดอย่างนี้ก็ได้จิตจะสงบพอรู้ว่าจิตไม่พอใจนะ ความไม่พอใจจะดับจิตจะสงบพอจิตสงบแล้วมันจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดหัวอยู่อีกส่วนหนึ่งค่ะก็อีกเรื่องเรื่องสุดท้ายค่ะคือหนูก็ฝึกกระหล่อมพอมันพักหนึงแล้วอะค่ะแต่พักนี้มันรักตัวเองมากค่ะหนุกกลัวแก่ค่ะแบบครีมมีกี่ตัวในตู้เย็นหนูก็เอามาโปะบนหน้าตลอดเลยค่ะแล้วแบบ พอโปะเสร็จหนูก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนมันเผลอไปอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกหลวงพ่อถึงบอกว่าให้หนูดูกายให้เยอะค่ะเพราะช่วงนี้หนูรักกายถ้าหนูดูกายมากๆนะหนูจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะ้จิตจะค่อยคลายตัวที่ติดอยู่นั่นแหละนี่แหละที่ทําให้หลวงพ่อบอกว่าต้องดูกายนะช่วงนี้ยกานช่วงนี้ดูกายไปเออดูกายเยอะๆแล้วต่อไปจะเห็นจิตชัดขอบคุณมากค่ะ กลาบนมันส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมา8เดือนนะคะมันก็จะเลอแล้วเสื่อมสลับกันไปนะคะแต่ว่าสองสมเดือนนี้กิเลส ต, ตัวลังเลสงสัยะคะมันเยอะะคะโดยเฉพาะลังเลสงสัยเกี่ยวกับคำบริกรรมพุโทโธของหนูว่าเออมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยยังไงว่ามันมันชัทางไหมเนี่ยมันเพ่งแล้วนะอะไรอย่างเ<อ>งี้ยอ๋อสังเกตที่จิตเอาสิพุโทโธเนี่ยนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป ไม่ใช่พุโทโธบังคับจิตให้นิง่งนะพุโทโธพุธโทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุโทโธพุธโทโธจิตสงบรู้ทันนะฝึกเป็นอย่างนี้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตอย่าไปพุโทโธแล้วบังคับจิตนะหนูบังคับเหรอคะถ้าบังคับมันจะแน่นหนูนวัดได้ด้วยตัวเองคือหลังๆมันก็ไม่แน่นนะคะมันฟุ้งหรือเปล่าค่ะคือคือหลวงพ่อคะคือว่าหนูอะ <laughs> สมมุติหลวงพ่อแนะนําให้น้องคนนี้ไปดูกายใช่ไหมคะแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูว่าดูกายไม่เป็นไม่จำเป็นทางใครทางมั น, น <ะ S 1> ก็คือทําความสงบทําความสงบนะแล้วก็รู้ทันจิตไปใช่พุโทโธพุโทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านให้ให้จิตมันมีบ้านอยู่อยู่กับพุโทโธก็ได้แต่พุโทโธแล้วไม่ได้พุโทโธ บ, บังคับจิตเป็นพุโทโธรู้ทันจิต หลวงพ่อพูดภาพรวมๆนิดนะคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนหลักๆอยู่สองตัวตัวหนึ่งสมาธิไม่ค่อยพอฟุ้งมากนะงั้นเราต้องฝึกทุกวันทุกวันทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยบางคนฟังซีดีหลวงพ่อจิตสงบแล้วก็ฟังซีดีเอาบางคนพุดโธจิตสงบ ก, ก็พุดโท่คือเราขาดความสงบนะใจเราฟุ้งทั้งวันทั้งวันนะเราทํางานเราก็คิดหนักอยู่ทั้งวันนะจิตนั้นมัน ไ, ไ, ไม่ได้หยุดพักเลย จุดอ่อนอีกตัวหนึ่งคือขาดความต่อเนื่องเราทําทําหยุดหยุดนะทำแล้วบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างนะวางผลยากช่วงไหนทํามันก็เจริญขึ้นช่วงไหนหยุดมันก็รู้สึกเสื่อมในสุดจิตมันก็เลยหลงเชื่อวฉันน่ะเก่งนะที่เสื่อมเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ทําถ้าฉันทํามันไม่เสื่อมแต่ถ้าทําสม่ําเสมอนะจะพบว่ามันเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมทั้งๆ ท, ท, ที่ปฏิบัติอยู่นี่แะเราไม่เก่งเลยเราทําไม่ได้ เราพยายามพัฒนาสองตัวนี้ที่เป็นจุดอ่อนหลักๆของคารวะนะทำใจให้สงบบ้างให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างนะแล้วก็ฝึกทุกวันให้สม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้เลยนะแบ่งเวลาไว้ถึงเวลานี้ภาวนานะถ้าตอนค่ำทำไม่ไหวก็เอาตั้งแต่เช้าตื่นนอนเร็วขึ้นนิดนึงภาวนา10นาที15นาทีพอไม่ต้องเอาเยอะนะหลวงพ่อตอนเป็นคารวะหลวงพก็ทาแบบนั้นนะ ตื่ น, นอนมาก็ภาวนาน่ดนึงนะออกไปทำงานนั่งรถตอนนั่งรถอยู่อะไรย่างนี้ก็ภาวนาถึงที่ทำงานแล้วก็จดจ่อกับงานทำงานเสร็จกลับไปบ้านก็ไปภาวนาฝึกอยู่อย่างนี้ถ้าเราทํทหยุดหยุดนะหวังผลยากเราจะบอกธรรมะของท่านทำให้ล่าช้าไม่ใช่เราภาวนาไม่พอนะอ่ะว่าไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อจ้ะค่ะเออ ดิฉันอฝึกปฏิบัติมามประมาณสี่ปีผัดยกมือโดยที่คิดว่าถ้ายกมือแล้วจะได้เห็นความคิดอทีนี้ก็ยกมือมาทั้งสองปีก็ไม่เห็นความคิดอะไรเขาคิดว่าความคิดนี่มันเป็นนามธรรมาก็สงสัยตลอดว่าเอ้ความคิดนี่เวลาเราเห็นหน้าตามันเป็นยังไงทีนี้ต่อมาพอฟังเทปหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเห็นความคิดนี่มันเป็นคำพูดที่จริงก็คือรู้ว่าคิดนะใช่ทีนี้ต่อมาก็ เลยเลือกยกมือแล้วก็มาห้องท้องพุทธโธนี้ฟังพุทธโธนี่จะเห็นอย่างเดียวคือเห็นความคิดนะฮะแต่นี้ไม่เห็นว่าเวลาโกรดตอนแรกนี่ก็เห็นเวลาโกรดนี่เห็นขึ้นทันทีเลยเห็นอารมณ์ต่างๆแต่ต่อไปนี่ก็แล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยจะเห็นจะเห็นว่าอุ้งสวดไปสักวันทัดหนึ่งก็จะเห็นว่าเออเราหนีไปคิดเห็นไปคิดอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่ว่าตอนหลังนี่สวดมนต์ไปตั้งนานก็ไม่เห็นความคิด ใจใจมันเฉย่ฉยไปนะต้องกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เข้มข้นหน่อยก็มีคนบอกว่าใจไปแช่กับพุทโธเรื่องนก็เลยมันเฉยไปไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็เลยเลิกพุทโธมาหัดรู้กายรูกายก็เหมาะนะก็ดีนะทีนี้ก็สงสัยว่าเวลาเดินเดินอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะเราจะทํำยังไงดี อ้ น, นง่ายๆน ะ, งงะเวลาเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินอ่ะแค่รู้สึกอ่ะดูจิตมันก็แค่รู้สึกถึงความคิดเนื้อปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตดูกายก็แค่รู้สึกถึงร่างกายที่มันกําลังเดินอยู่แค่รู้สึกเราจะต้องรู้สึกต่อไปตลอดนะฮะมันไม่ตลอดเดี๋ยว ม, มันก็เผลอหมายความว่าเราเหมือนเหมือนอย่างที่เรายกมือคือเดินไปก็รู้ว่าเดินไปตลอด เดิน Auf, ไปก็เห็นว่าร่างกายเดินใจเป็นคนดูไม่ใช่เดินไปก็รู้ว่าเดินอยู่นะเดินไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอยู่เห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินนั่งอยู่ก็เหมือนกันเห็นเหมือนคนอื่นนั่งใจเราเป็นแค่คนดูทีนี้ตอนนี้กลับมารู้มือมารู้ตัวอีกทีหนึ่งอย่างเดินเดินอยู่อย่างเดินในบนถนนก็รู้ตัวตลอด่าเดินแต่นี้พอมารู้แล้วสักประเดี๋ยวนี้ก็ลืมไป กลับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งกําลังยินซื้อของอันนั้นคือเรารู้ตัวแล้วยังคะไปรู้ตอนที่รู้ว่าซื้อของเลยแล้วมันเผลอไปนาน<อ> <c oughs> คือการรู้สึกตัวเนี่ยโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเรานะรู้ได้ทั้งวันไม่ได้หรอกเราไม่ใช่พระอรหันต์นั่อเรารู้บ้างเผลอบ้างเพียงแต่อย่าให้เผลอนานเท่านั้นแหละรู้ตัวให้บ่อยๆใจไปคิดทราบไหมเวลาใจไปคิดทราบค่ะ ใจของโยมนะจริงๆแล้วโดยพื้นฐา น, นโยมช่างคิดนะคนช่างคิดเนี่ยให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแต่ว่าบางทีดูจิตดูใจเราไม่มีแรงพอนะเราก็ต้องมาอาศัยดูกายก่อนเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าถ้าเห็นในช่วงหนึ่งจิตมีแรงขึ้นมาเพื่อามาดูจิตได้เพื่อมาดูจิตต่อ ช่างคินให้ดูเผยใช่ไหมคะใช่นะยัขยับมือไปแล้วเผลอไปแล้วก็รู้นะซ้อมมากมากเลยขยับมือไปแล้วเผอแล้วก็รู้นะเคยปฏิบัติตั้งสองปีนะคะยกมือนะเมื่อก่อนเนี่ยขยับเนีเพื่ะจะจะไปจ้องอ่ะจะไปคอยดูไปดักดูก็ไม่เห็นอะไรนี่ขยับเล่นๆนะใจลอยแล้วรู้เอานะอยู่ที่วิธีการ เอากายมาช่วยนะเอากายมาช่วยจิตเราฟุ้งแรงถ้าดู ก, กายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนพอจิตมีกําลังเนี่ยเกิดมีกิเลสมีอะไรแทรกเข้ามามันเห็นเองกลับน้มาสการคะ่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะก็จะเดินจงกรมใช้แบบก้าวพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่ทราบว่ามันน้อยเกินไปมันใช้เวลาน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า รู้สึกว่าสติมันยังมันยังอ่อนไปอะคะ่ะเวลากโกรธก็ยังหลงไปโกรธยังคลุกกับความโกรธอยู่อะคะ่ะไม่น้อยไปหรอกแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมอนะที่ฝึกอยู่ก็พอใช้ได้แหละปลื้มใจมากเลยคะ่ะหลวงพ่อ <c oughs> พอใช้ได้รู้สึกไม้มจิตเราขนาดนี้กับจิตเราเมื่อก่อนเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันคะ่ะกลัวความคิดน้อยลงอะคะ่ะ เรารู้เนื้อรู้ตัวได้เยอะขึ้นเห็นไหมรู้สึกไหมโลกห่างออกไปค่ะรู้สึกขึ้นค่ะแต่บางทีก็แนบชิดแล้วกันเออบางทีจิตยังหลงไงก็ขเข้าไปเกาะค่ะพอรู้ตัวขึ้นมาโลกมันก็ห่างออกไปโลกมีแต่ทุกข์นะค่ะห่างออกไปก็คือทุกข์มันห่างออกไปรู้สึกไหมละ่ะค่ะเดี๋ยวนะฝึกนาะดีแล้วนะไปทําอีกค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกับนมัสการพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะ ก็ฟังซีดีของพ่อมานานสักประมาณปีสองปีพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือว่ารู้สึกได้แต่เวลามีคนกระทบเยอะๆนี่บาีก็รู้สึกว่าหลุดเหมือนกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็รู้มันกันว่าฟุ้งซ่านพอสม<ร>ควรเราฝึ ก, กนะมันต้องล้มลุกคลุกลกานเนี่ยเรื่องธรรมดาบางทีก็หลุดเหมือนกันแต่ฝึกไปเรื่อยๆนะใจก็ห่างโลกออกไปเรื่อยก็สบายก็ยาง กราบขอคำแนะนําว่าควรจะทําไรต่อไปให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดจิตมันเคลื่อนไปดูออกไหมจิตที่เคลื่อนพอดูออกนะแต่ตัวนี้ให้รู้บ่อยๆจิตจะได้ตั้งมั่นจิตจะได้เข้าถึงฐานจริงๆนะถ้าจิตถึงฐานแล้วค่ะเนี้ยแค่พยักหน้าเนี่ยมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าเลยมไม่มีเราพยักหน้าแล้ะบางทีก็เกิดค่ะบางครั้งก็รู้สึกนั่นเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะขณะไหนมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็เห็นไม่มีเรา ขณะไหนไม่ตั้งมั่นก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์แล้วควรที่จะทําสมาธิสมถะมากขึ้นไหมคะหลังๆก็ไม่เคยได้ทําทําบ้างนะแต่ไม่ทาเยอะนะักลองทําพอดีพอดีค่ะกรับขอบพคุณค่ะ ใ, <ค>ใครจิตฟุ้งซ่านบ้างใครจิตฟุ้งซ่านยกมือสิโอ้เริ่มเป็นแล้วเห็นไหมบอกไม่เคยฟังหลวงพ่อเริ่มรู้ทันนะ้ แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะการที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ยากเลยที่เราจะรู้เราละเลยเท่านั้นเองเราไม่สนใจจะรู้เพราะเราไม่รู้ว่านี่สำคัญมากถ้าเรารู้ว่าการที่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นะเราจะขยันรู้รู้ได้ทุกคนนะ่ะโกรธทุกคนก็รู้ใช่รอบทุกคนก็รู้หายใจเข้าคนก็รู้หายใจออกทุกคนก็รู้ก็มละเลย ถ้ารู้รู้ให้เป็นเช่นหายใจอยู่ก็เห็นเหมือนคนอื่นหายใจนะไม่ใช่เราหายใจโกรธก็เห็นในความโกรธแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ไปสุขขึ้นมาเราก็รู้จักสุขเป็นไงความสุขมาก็ดูไปเห็นความสุขมาแล้วก็ไปฝึกง่ายง่ายาการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรในการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเราละเลยเท่านั้นเองหลบูดลสอนหลวงพ่อนะคแรกประโยคแรกเลยที่เจอท่านนะไปถามกรรมฐานท่านนะว่า ก, การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือไม่สนใจจะดูกายดูใจตัวเองแค่นั้นเองถ้าสนใจอยู่ก็เห็นนะไม่ยากเอาว่าไปกราบนรรมสการหลวงพ่อค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านนะคะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามเก็บเอาไว้เก็บความตื่นเต้นไม่ค่อยแสดงออกอะค่ะบาง<อ>ทีก็รู้สึกว่านิ่งๆไปบ้างอะไรี้ ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดเยอะใจมันไหลไปฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้สับกันอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ชัดก็คือตอนที่เราสวดมนต์บางทีเราสวดบนบทยาวๆอย่างพระคธาถาชินาปัญชอยอบางทีเราก็คิดไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ปากเราก็สวดไปตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะแั้นเราสวดด้วยขายสันหลังเราชินคราวนี้คืออยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะว่าหนูควรจะมีวิธีการฝึก แนวทางปฏิบัติของหนูยังไงควรจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคลื่อนไหวก็ได้นะแล้วคอยรู้สึกถึงร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตนิสัยของหนูมันคาบลูกคับดอกนะกายมันก็รักมากแล้วก็ช่างคิดมากด้วยมันคาบลูกคับดอกอยู่นั้นถ้าเราดูจิตได้ก็ดูจิตไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปถ้าดูไม่ออกก็ดูกายเลย เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยิ้มอะไรเงี้ยรู้สึกบ่อยๆใจจะได้ไม่เผลอไม่เผลอยาวอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสวดบทยาวๆนะมันชินสวดไปเรื่อยๆใจหนีไปตั้งนานมันก็สวดได้สวดจนจบได้นะหรือเดินจงกรมบางคนเดินยาวมากเลยที่ที่เดินนะเดินเดินนะรู้สึกตัวก้าวแรก2อก้าวนะที่เหลือตรงกลางนะั้นลืมไปหมดเลยนะเดินอยู่ได้หลายชั่วโมงก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าขาดสติ ถ้าเราไม่ทาอะไรที่มันทิ้งช่วงยาวมากถ้าจะสวดก็สวดสั้นๆพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยบริกรรมสั้นๆนะแล้วจิตหนีไปแล้วรีบรู้ไวๆนะหรือพยายามเคลื่อนไหวไว้เห็นน่านกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขนะองหนูมันทั้งช่างคิดทั้งรักสวยรักงามนะมันจะหลิดมันคับลูกคับดอกทั้งสองด้านขอบคุณค่ะ หลวพอขออนุมโมทนาด้วยนะทางคนจัดผู้จัดแล้วก็รู้สึกทึ่งกับพวกเรานะเพราะเราจำนวนมากเลยไม่เคยฟังไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อแค่ฟังช่วงเวลาชั่วโมงนิดๆเนี่ยจิตใจของเราตื่นตัวในธรรมะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์นะกับชีวิตของเราเองมีซีดีแจกไ้ยมีใช่ไหมไปฟังซีดีนะ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 แล้วดูสิเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนธ<ม>รรมะของพู้เจ้าไม่ช้าหรอก๋ยว<ม>พบอไปก่อนลนะ